ก่อนเกิดเป็นดังตรินตอนระลึกชาติถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นว่าชาติแล้วฉันเคยเป็นใครนั่นคือการตั้งโจทย์แบบคนธรรมดาซึ่งพร้อมจะยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นใครคนหนึ่ง และวิธีเอาคำตอบก็มักต้องพึ่งพาใครสักคนที่คุณคิดว่าเขารู้ถ้าเขาบอกว่าเคยเป็นเทวดาหรือมหากริย์คุณก็โน้มเอียงที่จะเชื่อและเกิดอุปาทานยึดมั่นจดจำไว้ว่าตัวเองเป็นเทวดาเป็นมหากริย์แต่หากคำตอบจากเขาไม่น่าเชื่อใจเช่นบอกว่าคุณเคยเป็นหมาหรือยาจกคุณก็โน้มเอียงที่จะปฏิเสธ และเกิดทิฐิมานะเพ่งโทษว่าเขาไม่รู้ไม่จริงไม่อยากจดจาทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะมนุษย์เราโน้มเอียงที่จะสำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐก็ในเมื่อเห็นอยู่ว่าเป็นคนมีสองแขนสองขาสง่างามออกอย่างเนี้ยครั้งหนึ่งจะเคยเป็นหมูเป็นหมาไปได้อย่างไรน่าจะเคยเป็นเทวดานางฟ้าเสียมากกว่าฉะนั้น ความอยากรู้เรื่องอดีตชาติของคนทั่วไปจึงเป็นไปเพื่อเพิ่มอุปาทานและไหลเวียนอยู่ในวังวนทุกข์วังวนแห่งความมีตัวตนอะไรอย่างหนึ่งอยู่ร่ำไปแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณอยากรู้อยากเห็นว่าภาวะทางกายใจอย่างนี้ตลอดจนชะตากรรมที่ต้องเผชิญอย่างนั้นไหลามาจากกรรมแบบไหนนั่นจะเป็นการตั้งโจทย์แบบเดียวกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเปิดช่องทางได้คำตอบที่ถูกต้องกับทั้งช่วยให้เห็นโอกาสยุติทุกยุติโศกยุติการเดินทางไกลที่น่าเด็ดหนายได้อีกด้วยที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรูบ้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นองค์อรหันตผู้ปราศจากอวิชชาบทบางได้นั้นท่านตั้งต้นจากการน้อมพิจารณาเข้ามาในความเป็นปัจจุบันเห็นตามจริงอย่างที่เป็นอยู่ว่า กำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจยาวหรือหายใจสั้นและลมหายใจดำเนินไปในกายนั่งที่ตั้งตรงไม่ใช่คดงอไม่แตกต่างจากที่คุณก็รู้ได้ในขณะนี้เช่นกันเมื่อตั้งต้นจากความจริงได้ก็ย่อมสืบไปหาความจริงได้ท่านระลึกรู้ความจริงอันเป็นปัจจุบันกระทั่งรวมลงเป็นฌาน ดวงจิตแปรจากภาวะนึกนึกคิดคิดเป็นภาวะสว่างจ้าประดุดดวงอาทิตย์จากนั้นจึงถอยออกจากฌานกลับมาสู่สภาพที่สามารถพิจารณาเห็นความจริงทางกายใจได้เรากับมองดูวัตถุอื่นอันเป็นต่างหากท่านตรวจดูกายใจยังมีเหตุผลคือน้อมพิจารณาว่า อยู่ๆกายใจนี้ปรากฏเองลอยๆไม่ได้ต้องมีเหตุปัจจัยนำมาซึ่งนั่นเองนิมิตจึงปรากฏในห่วงมโนทวารของท่านเห็นชัดแจ้งว่าก่อนจะเข้าสู่ภาวะนั่งสมาธิเช่นนั้นกายใจนี้ไปทำอะไรมาบ้างไล่ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไปจนกระทั่งเมื่อวานเมื่ออาทิตย์ก่อนเมื่อเดือนก่อนเมื่อปีก่อนเมื่อสิบปีก่อน ไล่ไปเรื่อยกระทั่งประลึกได้แม้รายละเอียดความทรงจำครั้งแรกเกิดซึ่งหมายความว่าเข้าสู่กระบวนการอย่างรู้วาระแรกแห่งชีวิตจากนั้นยานอย่างรู้จึงปฏิรูปเป็นการเห็นที่มาของการเริ่มชีวิตนั่นคือกุศลกรรมเก่าแต่ปางก่อนส่งให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นผู้มีศักยภาพสูง ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงท่านระลึกได้หนึ่งชาติ2ชาติสชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติกระทั่งเป็นอนันตชาติรู้ที่มาที่ไปของตนเองอย่างลึกซึ้งว่าได้ตั้งความปรารถนากับทั้งบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายการเปลี่ยนจากความไม่รู้เรื่องที่มาของตนเอง มาเป็นรู้แจ้งเรื่องที่มาของตนเองอย่างนี้เรียกว่าวิชาขั้นต้นมีชื่อเฉพาะคือปุเพนิวาสานุสติยานเมื่อทราบว่ากายใจแห่งความเป็นตัวตนอย่างนี้มิใช่มีอยู่หนึ่งเดียวกับทั้งสืบสายกันเป็นลูกโซ่การตายจากพพหนึ่ง เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเกิดใหม่ในอีกภพหนึ่งท่านก็พิจารณาต่อไปด้วยอำนาจญาณแหล่งเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ทำในแต่ละภพเมื่อภพใดมีน้ำหนักของความคิดคำพูดและการกระทาอันเป็นกุศลมากกว่าอากุศลก็ย่อมเป็นแรงส่งให้ขึ้นสูงและเป็นสุขแต่หากเป็นตรงข้ามทาชั่วมากกว่าทาดีก็จะเป็นแรงถีบให้ลงต่าและเป็นทุกข์ การเปลี่ยนจากความไม่รู้เรื่องการเกิดตายตามกรรมมาเป็นรู้แจ้งเรื่องของการเกิดตายตามกรรมอย่างนี้เรียกว่าวิชาขั้นกลางมีชื่อเฉพาะคือจุตูป ป, ปาตายานจากนั้นท่านจึงพิจารณาว่าเหตุที่เป็นเช่นนั้น ก็ด้วยความไม่รู้และหลงยึดไปเองว่ากายใจในแต่ละพบเป็นตัวตนไม่รู้เลยว่าที่แท้แล้วกายใจเป็นทุกข์เป็นโทษปราศจากจุดเริ่มต้นและจะไม่มีทางยุติลงด้วยความบังเอิญทางเดียวที่จะสิ้นสุดความทุกข์ก็คือต้องรู้ความจริงขั้นสูงสุดว่ากายใจเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะหลงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นการเปลี่ยนจากความไม่รู้เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ มาเป็นรู้แจ้งเรื่องทุกข์และการดับทุกข์กระทั่งเข้าถึงมหาสมุทรแห่งความว่างอันเป็นอมตะเรียกว่านิพพานอย่างนี้เรียกว่าวิชาขั้นสูงสุดมีชื่อเฉพาะคืออาสวะขยะยานสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดคือการรู้อดีตชาติด้วยตนเองจัดเป็นวิชาขั้นต้น อันจะนำไปสู่วิชาขั้นสูงสุดส่วนการรู้อดิตชาติจากการฟังคนอื่นบอกถือเป็นความงมงายก้าวแรกอันจะนำไปสู่ความงมงายก้าวต่อๆไปอย่างไร้ที่สิ้นสุดบทความโดยดังตริ ม, มจาก นิทยาศารธรรมมใกล้ตัวฉบับที่63 <อ>เสียงอ่านโดยโจโช<อ>ดมนิทยนศาเนิทยาศาลด้วยแรงให้ยาลวงตามายายหลักแหล่งพักทิ้งแอบเร็นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลัปลา แต่แปลพันทินทางสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดานด้วยกรรมเก่าหมดกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดิ้นดนในฉากใหม่ต่อไปรอคอยทางประเสริฐช่วยนำสู่แดน